คณะสตาญาติโยมวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญครบรอ บ, รอบวันมรณาภาพหลวงปู่จันโสมกิติกาโรอดีตเจ้า ว, วาดวัดป่านาชิดาตําบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีปีนี้เป็นปีที่หกที่หลวงปู่ได้จากพวกเราไปพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญ แต่เจดีขององค์หลวงปู่ก็ได้จบลงเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นนานใหญ่เป็นงานฉลองเจดีด้วยและการทำงานก็รอบหลวงปู่ด้วยเมื่อปี2554แต่หลวงพ่อเองเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อได้ได้เข้าไปร่วมจัด งานพระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงตาก็ได้ไปชุมเพลิงวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช 2,554 หลวงพ่อจบจากงานหลวงตาก็มาแวหวกกราบว่างานหลวงปู่จันสมเป็นวันที่หกและก็วันที่เจ็ดเป็นวันตักบาทวันที่หกเป็นวันสวดมนต์เย็นอย่างวันนี้ละ่ะแต่ปีนี้ ปี 2,555 วันวันที่เจตรงกับวันมาฆบูชาวันนั้นคณะจัดงานจึงได้ล่นเวลาลงมาเป็นวันที่สคือวันนี้เป็นวันที่สมมีนาพุทธศักราช 2,555 วันนั้นปีต่อไปถ้าหากว่าไม่เจ อ, เอหรือไม่ทบไม่โดนไม่ตรงกับวันมาฆบูชาอย่างปีนี้ก็คงจะ จัดงานเป็นวันที่6วันที่6มีนาเป็นวันสวดมนต์เย็นวันที่7ก็เป็นวันตักบาตรปีต่อไปขอให้คณะทายาิโยมทุกโมเหล่าให้จดจำวันเอาไว้แต่ปีนี้รู้สึกว่าเจ้าวาดท่านอาจารย์พระครู ด, ดำริท่านก็พงมีภารกิจธุระต่างประเทศท่านก็ไปอยู่โน่นอินโดนีเซีย ไม่ได้มาร่วมงานกับพวกเราในวันนี้กหน่าเสียดายเหมือนกันนะสมภารไม่อยู่แต่ให้คนอื่นจัดงานแทนนะหลวงพ่อว่าเจ้าของวัดไม่อยู่ให้คนอื่นจัดงานแทนนะแต่ตามไม่จริงสมภารนะเาานี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยก็น่าจะรู้จักว่าวันนี้เป็นวันมรณะภาพองคหลวงปู่ของเราจะไปที่ไหนไหนก็ต้องอได้เตรียมการเอาไว้หลวงพ่อว่านะ หน้าตำหนินี่ยน่อยแต่ไม่ตำหนิมากหรอกถ้าตำหนิมากเดี๋ยวลงท่านกลับมาท่านจะบูวีพวีวีกับหลวงพ่ออีกนะแต่ตามไม่จริงท่านาท่านน่าจะาจัดการหลวงปู่ซก่อนเพระบ่าปีหนึ่งก็มีก็ ม, กมีครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีหลายวันไปต่างประเทศไปวันไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่างาหลวงปู่จันโสมมีวันเดียวมีวันเดียวคือวันที่6 มีนาพุทธศักราชแต่แต่ละปีนะอันนี้ก็ปีนี้กับปีปีที่6นะเออเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะไม่ได้กล่าวอะไรมากเพราะว่าพระสงฆ์เมื่อธรรมเทศนาจบลงแล้วพระสงฆ์ก็คงจะรับจะตุปจัจไตรยธรรมพระสงฆ์ก็จะอนุโมธนาให้พรพวกคณะกฐาญาติโยมอย่าอย่าเพิ่งกลับนะพระสงฆ์อนุโมธนาให้พรเป็นสิริเป็นมงคลซะก่อนพวกเราจึงจะกลับ เพะหลวงพ่อเองอจะคงจะไม่กล่าวอะไรมากวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่พระสงฆ์รอคอยอยู่ผู้ที่อยู่ไกลก็มีนะเอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังแต่ขณะที่ฟังเทศนะถ้าเป็นไปได้ให้ปิดโทรศัพท์ไว้กว่าดีถ้าใครมีโทรศัพท์ดังขึ้นให้ออกไปคุยกันข้างนอกนะอย่ามาพูดพูดคุยกันแทงแข่งหลวงพ่อนะถ้าใครมาพูดแข่งหลวงพ่อนะไม่ได้ละหลวงพ่อพูดไม่ออก และก็พร้อมกันณนะขณะที่หลวงพ่อกําลังพูดอย่าถ่ายรูปที่มีแฝดนะถ้าสายรูปนี้มีแฝดแฝดเข้าตาหลวงพ่อแล้วพูดไม่เป็นไม่ไปอีกเหมือนกันนะั่นแหะพอหลวงพ่อเป็นพระป่าทั้งรุ่นนะถ้าว่ามีอะไรเสียงแปลกปลอมที่เสียงดังขึ้นมาแล้วคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยที่จะพูดออกไปเนี่ยมันหดหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นขอบอกกล่าวให้กันแน่ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เรา ถ้าใครก็ตามถ้ามีกิจธุรธุระที่จะพูดคุยกันให้ออกไปคุยข้าง น, นอกตรงนี้เป็นสถานที่ฟังธรรมนะเป็นสถานที่ฟังธรรมไม่ใช่สถานที่คุยคุยก็ต้องอยู่ข้างนอกจะคุยกันยังไงก็ได้แต่ตรงนี้เป็นสถานที่อยู่ในความสงบฟังนะถ้าไม่อยากฟังออกไปนะนถ้าว่าไม่อยากฟังให้ออกไปถ้าใครอยากฟังให้อยู่นั่งฟังในความสงบนะอันนี้หลวงพ่อบอก กล่าวนะคณะสัตยาญาติโยมทุกหมูทุกเหล่านะพระสงฆ์ทุกองด้วยเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงคำนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุขขอปุ ญ, ญ ย, ยัสอุตยโยปุญญาณิปรโลกัตสมิงปฏติถาโหนติปานินานตีติวันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันคณะสัตยาญาติโยมพร้อมกับพระสงฆ์ได้ร่วมกันทําบุญลําลึกถึงหลวงปู่จันสมของพวกเราหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่รักเคารพ นับถือในถิ่นของพวกเราพวกเราก็เมื่อท่านได้จากไปเมื่อหปีให้หลังจากนั้นพวกเราก็ได้รวบรวมศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ก่อสร้างเจดีขึ้นมาเพื่อบรรจุอธิธฐานของท่านส่วนหนึ่งและก็อาถรรพิริขานขององค์หลวงปู่จากนั้นก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระอรหันต์อยู่บนยอดพระเจดีของหลวงปู่จันสมเพราะนั้นพวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยม ก็คงได้ไปกราบไปไหว้ในรูปรูปเหมือนขององคหลวงปู่ที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นที่รำลึกถึงลําพระคุณขององคหลวงปู่แต่ต่อไปทุกปีพวกเราก็คงจะมาร่วมกันทําบุญราลึกถึงองค์หลวงปู่ของเราเป็นประจําปีเพราะว่าหลวงปู่ของเราเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปาการะก่อน ได้มาสั่งสอนแนะนำพวกเราลูกหลานทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายฆรวาดหลวงปู่ของเราได้ทำคุณอูปการมากมายในท้องถิ่นของท่านไม่ว่าในถิ่นนี้และต่างถิน่นตอก่อนเมื่อท่านอยู่ที่นี่ท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมในท้องถิน่นจากนั้นท่านก็ได้ไปลงไปกรุงเทพก็ทา คุณประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมากมายถ้าพวกเราไปพวกเราจะรู้จะได้ยินพี่น้องชาวกรุงเทพที่บน่นลำเลึกถึงหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่จันสมของพวกเราถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับแฝดทั้งสองท่านเห็นหลวงปู่จันสมก็เห็นหลวงปู่เลี้ยนเห็นหลวงปู่เลี้ยนก็เห็นหลวงปู่จันสมพี่น้องชาวกรุงเทพก็รักเคารพในองค์หลวงปู่ทั้งสองแต่หลวงปู่ทั้งสองก็ได้จากไป เสียแล้วแต่ลุงปู่จันโสมของเราพวกเราก็รู้ว่าท่านบวชมาแต่ไหนแต่ไรบวชมาแต่หนุ่มสมัยเป็นหนุ่มที่เป็นหลานของลุงปู่เทศตีต่างหากลุงปู่เทศก็เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่แต่ลุงปู่จันโสมก็ท่านก็เป็นหลานของหลุงปู่เทศเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ดําลงทรงศาสนาเป็นผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้มีเมตตา ต่อลูกศิษย์ลูกหามากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้ก็หลวงพ่อไม่ต้องบรรยายแต่ถ้าว่าผู้ที่มาทางไกลามาใหม่คงอยากจะจะฟังเหมือนกันว่าหลวงปู่จันสมมีน้ำจิตน้าใจอย่างไรหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงปู่จันสมของพวกเรา เ, เป็นผู้อยู่ในความสงบเป็นพระที่หน้าเคารพนับถืออย่างมากเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่ง แต่วันนี้พวกเราได้มาร่วมกันลำนึกถึงพระคุณของท่านแต่ถึงยังไงก็ตามที่พวกเรามาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ถึงพวกเราจะมากราบมาทำบุญกระงค์ท่านแต่บุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเราทั้งหลายมาทำบุญทำบุญให้กับท่านก็จริงอยู่ลานึกถึงท่านแต่เมื่อเราทาบุญกับท่านแล้ว บุญกุศลก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพราะหลวงปู่เป็นเนื้อนาบุญเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสมัยหนึ่งพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเสด็จขึ้นไปสู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโปรดพระมานดาในพรรษานั้นพระองค์เห็นเทวบุตรทั้งหลายเข้ามากามาราบมาคารวะ แต่ทีแรกมีเทวบุตรองค์หนึ่ง เ, เข้ามาใกล้ท่านพอมามีเทวบุตรองค์หนึ่งเข้ามาเทวบุตรองนั้นต้องล่นถอยออกไปไกลมากเพราะพระองค์ก็ได้ถามว่าทำไมทำไมท่านจึงได้ออกไกลถึงขนาดนั้นที่ออกไปไกลเทวบุตรองค์นั้นท่านบอกว่ากับผมมีลิทธานุภาพน้อยกว่าเทวบุตรองที่อยู่เข้ามาอยู่ใกล้ พระพุทธองค์ก็ถามว่าเทวบุตรที่มาอยู่ใกล้เราเนี่ยด้วยทำได้ทำบุญอะไรจึงได้มีจึงมีบุญหนักสักใหญ่ถึงขนาดนี้ให้เข้ามีอํานาจเหนือกว่าเทวบุตรองค์ที่ออกไปไกลองค์นี้บอกว่าข้าพระองค์ไปทําพิธีกรรมข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ไปทําพิธีกรรมจากนั้นเขาก็ได้เอาข้าวทัพพีหนึ่งให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ข้าวทัพพีนั้นเดินมามาเห็นพระอนุรุทธเถระที่ท่านเดินออกมาบินธบัตในวันนั้นข้าพระองค์เกิดความพ ร, รบับถือเลื่อมใสข้าพระองค์ได้นําข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรพระอนุรุทธเถระแต่พระอนุรุทธเถระวันนั้นท่านออกจากนิโรธสมาบัตออกมาแล้วท่านก็นเดินมาพรามณ์ตอนนั้นกับ น, นับว่าโชคดีอย่างมาก ได้ทําบุญกับพระอนุรุธทธะที่ออกจากที่โรตสมาบัติข้าวเพียงทับพีหนึ่งจากนั้นก็ได้ทําบุญเสร็จแล้วก็ตั้งจิตในฐานขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขในภพภูมิที่ข้าพเจ้าได้เกิดให้เป็นใหญ่ในภพภูมิที่ข้าพเจ้าเกิดนั้นๆที น, น, นี้พอทําบุญเสร็จแล้วไม่นานข้าพเจ้าก็ได้มรณะภาพลงมาก็ได้มาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง พอมาอยู่แล้วข้าพเจ้ามีบุญหนักสักใหญ่มากเพราะอเนสง์ได้ทําบุญกับพระอนุรุทธะมหาเถระเพราะว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งการทําบุญกับพระเถระที่ออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระปฏิเจกพ้ากวีพระพุทธเจ้ากวีพระอรหันตสาวกกวีท่านออกจากนิโรธสมาบัตินั้นเหมือนกับถูกหวยแจ็คพอตเมืองนอกถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะแต่ หักหวยแจ็คพอตเมืองนอกมันเป็นร้อยๆเป็นพันๆล้านนะรวยทีเดียวแต่นี้ท่านก็ถาม ถ, ามถึง เ, เทวบุตรกี่กองหนึ่งทว่า อ, อท่านเทพบุตรอังกุระเทพบุตรท่านทําไมอยู่ใกล้ๆเราแต่ทําไมต่อไปฉันท่านจะไปอยู่ไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะพระไตรปิฎกบอกว่าเทวบุตรองค์นั้นบอกว่าข้าพระองค์ในศาสนา พระพุทธเจ้าในระหว่างศาสนาพระพุทธเจ้ากัสปะกับศาสนาของพระโคตมะข้าพระองค์เป็นเศรษฐีได้ทําบุญตั้งเตาตั้งเตาเตาไฟนี่เอ่อเป็นเป็นกิโลเหมือนนนะเอ่อเป็นคล้ายๆกับว่าเอ่อเป็นสิบสองยอดนะสิบสยอดยอดหนึ่งก็สี่รอยเส้นนะตั้งแถวตั้งแถวยาวเหยียดจากนั้นข้าพระองค์ได้ทําทานอยู่ถึงหมื่นปีเอ่อทำทานอยู่หนึ่งถึงหมื่นปี กับคนทั่วๆไปแต่พอมาเปรียบเทียบกับอินทระเทวบุตรแล้วสู้ที่อินทระเทวบุตรให้ทานข้าวเพียงทัพพีหนึ่งไม่ได้พระบุญกุศลมากกว่าพระพุทธองค์ท่านก็เลยตรัสเป็น เ, เป็นพระบาลีขึ้นมาแล้วก็บอกว่าการทําบุญควรจะเลือกควรจะเลือกในการทําบุญการทําบุญเลือกการทําบุญพระสุคต ท, ทรงสรรเสริญ แต่ว่าทาห้าวาทำบุญจะเปรตสะปะไปเรื่อยไม่หวังผลอะไรอะไรก็ทําไปเรื่อยอันนั้นบุญกุศลเหมือนกับเราหว่านพืชลงในเนื้อนาหว่านพืชในเนื้อนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกหญ้าคาแล้วก็หว่านไปเรื่อยผลมันออกมาก็ได้น้อยแต่ถ้าว่าเราหวังผลเราเลือกท้องนานาดีดินดีน้ําดีสมบูรณ์เราก็หว่าน เพืชลงในจุดนั้นผลมันก็จะงอกเกยได้เต็มที่จะได้รับผลอย่างเต็มที่เพราะอะไรเพราะเราเลือกเนื้อนาที่ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นขอเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายบางคนก็ถามว่าทําบุญที่ไหนก็ได้บุญหมดไม่ใช่นะสัตสัตยาธิโธมนะพระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกท่านบอกว่าการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญการทําบุญไม่ใช่ว่าจะทําบุญ ที่ไหนก็ได้แต่ตามไม่ยิงถ้าว่าเราจะเลือกขนาดนั้นเที่ยวเหลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเลือกได้ดีที่สุดถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ทําไปเป็นอุปนิสัยของพวกเราในการเสียสละเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างบุญสร้างกุศลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากนะ็อันให้สงทานเราทําทานนะอันทีอนให้สงทานที่เราได้เป็นพระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะได้เป็นพระสาวกเนี่ยตั้งต้นอย่างไรก็โดยมากกับเป็นอ น, นิสง์ทานด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมทําบุญในวันนี้ก็ได้มาร่วมกันทําบุญมาเสียสละจะตุปใ จ, จมากน้อยตามกําลังศรัทธาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องศีลลักษศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลพวกเราก็ได้สมาทานศีลห้า ปาณาอธินาการเมมุสาสุราจบลงสักครู่นี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รักษาศีลได้ตลอดรอดฝั่งตลอดคืนกะนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาไม่โกหกไม่ดื่มสุราอันนี้ก็คือเป็นศีลแล้วแต่ต่อไปก็ถ้าว่าอากจะได้บุญมากกว่านั้นเองพวกเราควรจะภาวนาถึงเรื่องภาวนาเนี่เป็นยอดแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายทั้งปวง เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัายาติโยมทั้งหลายนะก่อนหลับก่อนนอนถ้าเป็นไปได้ให้นั่งภาวนาสักข้านาทีส0นาทีถ้ามีเวลาสักยี่สินาที mm hmm. ก็ยังเป็นบุญเป็นคือสนสำหรับพวกเราคือสงบจิตสงบใจออคือร่างกายของเราเนี่นอนพักผ่อนนอ น, นคือสงบกายแต่สงบใจเนี่ยออถึงจะนอนแล้วก็ก็เถอะมันก็ฝันปุ่งฟุ้งอยู่ฝันนู้นฝันนีอันนั้นแปลว่าจิตมันมันไม่สงบ แต่จะทํำยังไงจึงจะทําจิตใจให้สงบได้ในหลักของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็บอกว่าให้นั่งภาวนาใหนั่งภาวนาเออหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้การนั่งท่านก็ไม่ได้บอกว่านั่งนั่งสขัดสมาธิก่อนจึงนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งยังไงก็ได้แต่ตามไม่จริงการนั่งสมาธินั่นทําตัวให้ตรงท่านว่างั้นนะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาทําตัวให้ตรง นะพี่ลานั่งจะนั่งกันเวลานั่งให้นานนั่งต้องงั่งขัดสมาธิแต่เวลานั่งนั่งอย่างอื่นได้ไหมท่านก็ไม่ได้ห้ามท่านก็ไม่ได้บอกว่านั่งอย่างอื่นนั่งภาวนาภาวนาไม่ได้นะถ้านั่งอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ว่ายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนอนทั้งสามอรียาบทอันไหนก็ได้แต่ว่านอนโดยมากมันจะหลับเร็วเพราะฉะนั้นให้พวกเรานั่งสมาธิก่อนหลับก่อนนอนหลวงพ่อวันแต่ละวันอย่าได้ขาด ถ้าเป็นไปได้นะคือการเป็นการสงบจิตสงบใจทําจิตใจให้สงบให้จิตใจพักผ่อนถ้าเราจิตใจของเราได้พักผ่อนจิตใจของเราสงบแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเราจะรู้ตนเองว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันเป็นคนละอย่างกันเราจะเห็นได้ชัดเลยเหมือนกับเหมือนกับโซเฟอร์เห็น เ, เหมือนกับโซเฟอร์กับรถอย่างนั้นอนะ่ะรถรถนี่คือร e ่างกายโซเฟอร์นี่ก็คือ จิตใจของพวกเราแต่อยู่ในร่างกายอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ารถท่านจึงพูดเป็นพระบาลีว่ามนโนปุพังคมาธ ร, รมมามโนเสถิามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะทา ย, ยาทโยมทุกท่านให้สนใจเรื่องของใจนะตัวนี้แหละตัวใจนี่แนหะจะพาไปสู่สุขคติหรือทุกขคติ ถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีพวกเราจะไปตกต่ําถ้าเราคิดดีคิดดีทดําดีพูดดีพวกเราก็ไปสู่สวรรค์ก่อนที่จะทําดีพูดดีนั้นมันก็ต้องคิดดีซะก่อนคิดดีเป็นเบื้องต้นซะก่อนแต่ถ้าว่าเราคิดไม่ดีแล้วการการะทําออกไปมันจะไม่ดีการพูดออกไปจะไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงอบรมใจเอาธรรมะมา อ, อรบรมใจให้ดูใจของตนเองนี่แหละอันนี้แหละเรื่องภาวนา สภาวนาไม่ใช่อื่นใจนะการตัดทาญาดโยมนะให้ดูใจของตอนเองแต่ละวี่แต่ละวันเราคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องทางบาปหรือเป็นเรื่องทางบุญนะถ้าว่าพวกเราพอมีอายุสูงขึ้นมาแล้วนะสมัยน้อยหนุ่มก็ไม่ว่าการทําการทํางานแต่พออายุสูงขึ้นมาแล้วพอจะปล่อยปล่อยวางมือได้แล้วพอจะปล่อยวางให้ลูกให้หลานเขาทำหน้าที่ได้แล้วพอเราก็ควรจะปล่อยวาง ให้ลูกให้หลานเขาทาตัวเองก็หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รักษาศีลภาวนาเนี่แหละเป็นหลักก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะอยู่โชเฟ้าดินฉลายนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะ เ, เห็นไหมพี่น้องลูกหลานคณะศนระัทธาญาติโยมผู้พวกเพื่อนจากไปไม่รู้เท่าไร่เต่าเท่าไร่แล้ว เราจะอยู่โฉวฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งนะ่ะพวกเราก็จะต้องเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆเพราะนั้น เ, เมื่อเดินตามหลังกันไปเราพอใจหรือยังเราหาทรัพย์เพียงพอหรือยังเราหาบุญใส่ใจของเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราถามใจของตนเองนะแต่ถ้าพวกเรายังผก บ, บกพ่องในบุญในกุศลอยู่ พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรร ม, มคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราให้ตั้งใจนาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าสุขโขปุญญาสัจจโยการสังสมการสะสมบุญสังสมบุ ญ, บญนำสุขมาให้ปุญญานิปละโลกัจมิงปฏิฐาโหนติปานินันติ การสั่งสมความดีนําสุขมาให้บุญจะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ถ้าคนมีบุญก็มีความสุขถ้าโลกหน้าถ้าเราตายไปแล้วถ้าเรามีบุญบุญกุศลก็จะพาพวกเราไปสู่สุขคติเพราะฉนั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงว่าให้พวกเราสังสมสังสมบุญสะสมบุญ ที่จะนําไปสู่ปารโลกภายภาคหนา้าเพราตายแล้วไม่สูญ น, นะหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานของพวกเราเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลว ง, งปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่จันสมของเราเนี่ก็เถอะหลวงปู่เลี้ยนก็เถอะหลวงปู่หลวงตาบ้าบวกก็เถอะหลวงปูล่ลาก็เถอะอท่านแนะนําสั่งสอนว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะลูกหลานนะท่านภาวนาดูแล้วท่านไปนั่งภาวนาดูแล้ว กายกับใจมันชัดเจนเมื่อเมื่อจิตสงบแล้วร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้น่ะมันชัดเจนแคงขนาดนั้นเวลาร่างกายแตกใจก็ออกจากร่างไปหาเกิดปฏิสนธิถ้าใจได้สร้างบุญสร้างกุศลใจตรงนั้นก็มีแต่ความสุขถ้าเมื่อใจตรงนั้นชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจได้แล้วนั่นหละคือพระหันใจเป็นพระหัน เออพอใจเป็นพระอรหันต์กายก็เป็นพระอรหันต์ด้วยเออบริษัทบริวารกุติศาราก็เป็นวัดของพระอรหันต์ไปด้วยเออคือใจของพระเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตายาญติโยมทุกคนระควรพระสงฆ์อีกเหมือนกันทีนี้นะวันนี้เห็นครูบาอาจารย์น้องหนุ่มทางหลายที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อมีต่างเยอะแยะเลยวันนี่หลวงพ่อเนี่ยนับว่าเป็นพระเฒ่าพระแก่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคณะสัตายาติโยมลูกหลานนะ เป็นผ้าเท่าผ้าแก่ขึ้นไปเรื่อยๆออแตบบ่ที่แรกกนะันน่ะมานั่งอยู่ศาลาแห่งนี้กันนู่นนั่งอยู่เป็นเกือบปลายแถวแต่ทิเดียวนี่นั่งรองหลวงพ่อ อ, อ, อาจารย์พ่อครูหนูญาติเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็เป็นพวกน้องๆของหลวงพ่อทั้งหมดที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเออในนามพี่ๆน้องๆทั้งหลายหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงเหมือนกันเนยะยุคนี้สมัยนี้ ไม่รั่ข่าวไหนตกข่าวไหนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์เพราะนั้นเวลาเห็นพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนน้องนุ่งทางหลายมาอย่างนี้หลวงพ่ออดที่จะคิดจะบอกจะกล่าวไม่ได้ให้ระวังตัวเนน้องน้องนนุ่งทางหลายเนอให้สำรวมระวังเนอสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเนอถ้าทําไปแนละ้มันดังเออมันดังไปทางที่ไม่ดีเนอร์ทำให้เสียพักเสียพวกเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนอร์ท่าว่าพวกเราทําดี แหม่ก็จะเป็นสิิเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแห่เป็นที่ยกย่องเชิดชูอําเภอบ้านพืออําเภอนาโยงอาเภอนามโสมมีครูบาอาจารย์เป็นที่<ม>น่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาแหม่ไม่จะดังไปนะักศาสนานาถาวรพวกเราดังไปในทางที่มีถูกต้องกเกษียหายนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับพู้กับหลานน้องนุง่งทุกๆุกองทุ ก, ท ก, ทกองเนอะพระนัจักรทายญาติโยมก็เหมือนกัน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกเราเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านคงจะรู้ว่าในถิ่นของพวกเราเนี่ยจะเป็นถิ่นพระกรรมฐานเรเป็นถิ่นที่ยึดแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายของท่านได้เราเคยคาดคิดไหมหลวงปู่มั่นทาไมมาอยู่บ้านน้อง บ้านค้อนเนี่ยบรรจมภาษาที่บ้านคอเออไม่คาดไม่คิดเหมือนกันนะหลวงปู่มั่นไปทุกหัวไหลแห่งแล้วทำไมจึงไปอยู่ที่น้ำตกยุงทองอีกทีเนี่ยเออไม่คาดไม่คิดเหมือนกันหลวงปู่มั่นจะไปอยู่ที่น้ำตกยุงทองอย่างนั้นได้เพราะนั้นท่านคงจะวางรากฐานไว้ท่านเห็นลูกเห็นหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะจะเป็นทายาทของท่านต่อไปภายภาคหน้าท่านจะได้มาวางรากฐานไว้แก่ ให้แก่พวกเราคนนั้นขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนอะลูกหลานทุกคนเนอะคณะทาญาิโยมทุกคนเนอะถาว่าพวกเราทําดีแล้วไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้อนใจคุณงามความดีนะ่าจะพาพวกเราไปสู่สุขคติถ้าเราทําความไม่ดีแล้วพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าทําไม่ดีถ้าทําดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกการกล่าว สำมโมทธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของหลวงปู่จันสมของพวกเราที่พวกเราได้มาทำบุญในวันนี้ขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้มีความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิด